มีของกินแล้วไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าแล้วไม่เล่ามันก็ลืมมีของกินไม่กินคงจะเน่ามีของเก่าไม่เล่าก็ลืมหลงโบราณชี้บอกเช่นเห็นตรงตรงถ้าลืมหลงเสียเปล่าไม่เข้ากาันมีของกินควรกินตามกำหนดจเจริญรสโอชาเป็นอาหารมีของเก่าเล่าท่องให้คล่องการถึงเนิ่นนานร้อยปีไม่มีจน พระพิพัฒน์ประยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชาติมกรกูดและกะวีเอกจังหวัดประยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องกรรมดีกรรมชั่วก็มีคุยให้ฟังทุกเช้าแหละครับวันนี้จะเล่านิทานให้ฟังถึงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเอาตอนเช้าในสักเรื่องหนึ่งก่อน ว่าสมัยอดีตการยังมีตรุษีตนหนึ่งก็บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าใหญ่ด้วยความสุขตามอัตภาพของตัวแล้ะนะวันหนึ่งก็มีราชบุตรของพระราชาก็ออกประพาสล่าสัตว์ล่าไปล่ามาท่าไหนไม่รู้หลงทางหลงมากับหาหลงกับพวกทหารมหาเล็กเดินทางมาถึงอาสมฤรษีก็เข้าไปนมัสการบอกว่า พระคุณเจ้าข้าพระเจ้าเป็นเจ้าชายแห่งเมืองสีเทพหลงทางมาพระคุณเจ้าช่วยชี้ทางกลับคืนสู่พระนครให้ด้วยไม่รู้จะกลับทางไหนแล้วหลงฤาษีตนนั้นมาลืมตาขึ้นกับพบชายหนุ่มรูปงามในเครื่องทรงลูกกษัตริย์มีคันสอนมีลูกลูกธนูเป็นอาวุธก็กล่าวกับหนุ่มคนนั้นด้วยความเมตตาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถของเราเรา อ, องค์ชายเดี๋ยวพักผ่อน ดื่มน้ำเสวยผ ล, ลไม้ให้ร่างกายมีกำลังซะก่อนเจ้าชายแกก็ดื่มน้ำแล้วก็เสวยผ ล, ลไม้จนอิ่มหนำสำรันแล้วก็บอกว่าอืมตอนนี้มีกำลังพอจะเดินกลับไปยังเขตพระนครแล้วท่านฤาษีโปรดช่วยชี้ทางให้ด้วยฤาษีก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวไม่ต้องลำบากหรอกองชายกล่าวจบฤาษีก็หยิบแก้วสารพัดนึกออกมาจากย่ามที่ทำด้วยหนังเสือนั่ะ แล้วก็บอกว่านี่เป็นแก้ววิเศษองค์อินประธานให้เราเพียงแต่ต้องการอะไรก็ขอได้จากแก้ววิเศษลูกเนี้ยองค์ชายที่แรกไม่เชื่อแล้วก็บอกเอ็ดไหนลองสิลองลองเอาม้าให้ข้าพเจ้าสักตัวสิตฤลศีก็บอกเอาสิเพราะกล่าวจบก็ไปขอกับลูกแก้วสารพัดนึกไม่นา น, น, นก็เกิดม้าพ่วงผีตัวหนึ่งยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ที่หน้าอารมอาสมตฤสศี เจ้าชายก็รู้สึกประหลาดใจมากโ อ, โอ้เก่งจังอาจารย์แม่แก้วดวงนี้วิเศษเหลือเกินทำยังไงข้าพเจ้าจะได้มันมาครอบครองบางละเนี่ยหาให้สักลูกสิถ้าหากว่าองค์ชายต้องการเป็นเจ้าของแก้วใบนี้ต้องสละเพศมาบวชเป็นฤาษีบูชาเทวดาเป็นเวลาสิบปีแล้วพระอินทร์ก็จะเอามาให้โอ้ยตั้งสิบปีเอาทักสิบวันไม่ได้เลยไม่ได้หรอกอืม เรามีภารกิจจะต้องปกครองบ้านเมืองต่อจากพระราชบิดาไม่สามารถทำตามที่ท่านบอกได้เอางี้แล้วกันขอซื้อต่อโอ๊ยข้าพเจ้าไม่ใช่ฤาษีพานิชนะองค์ชายไม่ต้องการเงินต้องการทองหรอกอืมขายให้เราเถอะนะเอางี้แล้วกันทั้งอาสมนี่เท่าไหร่โอ๊ยไม่ขายหรอกองชายเพราะเงินทองนี่ตาคาต้องการข้าก็เพียงขอจากลูกแก้วนี้เท่านั้นก็จะได้เหมือนกัน แล้วเรื่องอะไรที่ข้าพเจ้าจะต้องไปขายลูกแก้วลูกนี้อืมใช่ใช่ใ ช, ใช่ถูกแล้วแล้วทาไมท่านถึงไม่เข้าไปอยู่ในเมืองและไปใช้ชีวิตท่ามันสุขสบายอยากจะได้อะไรก็ขอเอาจากลูกแก้ววิเศษเนี่ยรับรองว่ายิ่งใหญ่กว่าพระราชาทุกแหวนเลยก็นั่นเป็นเหตุผลแหละที่คนธรรมดาไม่สามารถจะครอบครองลูกแก้วสารพัดนึกนี้ได้ก็เพราะว่าความโลภนี่คนธรรมดานี่มันโลภมันเอาไม่ได้ข้าพเจ้าสามารถจะขายต่อให้กับท่านได้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยเป็น คนธรรมดาซึ่งยังมีโลภโกรธหลงอยู่เพราะฉะนั้นจะเอาไปครอบครองไม่ได้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์ธรรมดายังมากเลยกิเลสมันจะใช้มันเกินขอบเขตเอาไปใช้ในทางที่ผิดเป็นการเบียดเบียนต่อผู้อื่นข้าพเจ้าเองนี่ตั้งแต่ได้แก้ววิเศษชนิดนี้มาร่วมยี่สิบปีก็เพิ่งจะนามาโชว์คราวนี้เป็นคราวแรกเนี่ยเอาอยางนี้แล้วกัน ขอยืมไปใช้ชั่วคราวสักสามวันได้ไหมไม่ได้หรอกองชายวันเดียวก็ไม่ได้ฤาษีก็รู้ว่าองค์ชายไม่พอใจมีความต้องการจะได้แก้ววิเศษไปครอบครองแต่ว่าที่ต้องนําออกมาให้ดูคราวนี้ก็เพราะเป็นฟ้าดิคิดเนื่องจากถ้าหากว่าไม่ช่วยเหลือองค์ชายก็ไม่สามารถจะกลับไปยังบ้านเมืองได้ในที่สุดฤาษีก็ชี้ทางให้กลับฝ่ายเจ้าชายพอเดินทางไปสู่เขตตัวเมืองก็ แทนที่จะกลับเข้าวังก็ไปหลบซ่อนอยู่ในกระท่อมร้างเป็นเวลาสามวันเพราะว่าพระองค์มีแผนการอะไรบางอย่างพอครบกาหนดสามวันองค์ชายก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นคนมอซอหมอกซอกเจาะนอนเกลือกลิ้งกับพื้นดินให้ดูเหมือนคนผ่านวางังยากลําบากทุลักทุเลมาตลอดทางก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระราชบิดาพอเข้าเฝ้าพระราชบิดาในวังก็ทูลเรื่องราวต่างๆที่ตนประสบมาซึ่งล้วนแต่ไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นเอ่อ พระบิดาที่ลูกหายไปเมื่อตอนออกประพาสป่าล่าสัตว์นะความจริงนะลูกไม่ได้หายไปไหนหรอกมันเกิดจากถูกฤาษีชั่วตนหนึ่งลักพาตัวไปซ่อนไว้หวังจะให้พระบิดานนําสมบัติไปถ่ายตัวแต่ว่าลูกอะสามารถหลบหลีกหนีมันมาได้ในที่สุดพระราชาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดบรรดาลโทสะซึ่งมันก็เข้าตามแผนขององค์ชายรัชทายาททุกประการพระราชาก็บอกมันอยู่ที่ไหนไอฤาษีตัวที่ว่าเนี่ย มันตั้งอาสมอยู่เขตป่าชายแดนของเมืองเราเดยไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นให้ทหารไปจับตัวมันมาเดี๋ยวนี้เลยภาคเดียวและตลือีโดนล่ามโซ่มายังหน้าพระที่นั่งพระราชาก็ตัดสินโทษให้ประหารชีวิตในทันทีโดยที่ไม่มีการไต่สวนก่อนที่จะถูกประหารก็เป็นธรรมเนียมว่าจะต้องให้นักโทษรับประทานอาหารมือสุดท้ายแต่เมื่อผู้คุมนําอาหารมาส่งให้ตฤืีก็ปฏิเสธนอกจากขอน้ําเพียงขันเดียวเท่านั้น ผู้คุมก็ถือขันน้ํามาส่งมาให้แล้วก็บอกอ้าวน้ํากินซะตรีศรีแกกลับกําดินเอามือกําดินไปกํา ม, มือหนึ่งแล้วก็โปรโยใส่ลงมาในขันน้ําแล้วก็ทําท่าจะดื่มกินพระราชาเห็นอย่างนั้นก็ตรัสถามด้วยความสงสัยว่าทําไมท่านถึงทาน้ําให้คุณแล้วถึงได้ดื่มกินแล้วตรีศรีเท่าตรีศรีก็บอกเพราะข้าของมันเท่ากันละเยาาียกอะเท่ากันยังไง เพราะว่าดื่มเข้าไปแล้วอีกไม่นานก็จะหมดประโยชน์กับข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าจะต้องจบสิ้นชีวิตแล้วน้ำนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าพเจ้าเลยไม่ว่าจะดื่มทั้งใส่หรือว่าดื่มในขณะที่คุณเป็นโคลนก็ตามเปรียบเสมือนช่วยคนผ่านเอาไว้ไม่ว่าจะช่วยให้เขารอดอมีชีวิตรอดจากความยากลำบาก้วยวิธีไหนก็ล้วนแต่ได้รับการเนรคุณเป็นสิ่งตอบสนองทั้งสิน้นพระราชาก็ ถามว่าเอาเรื่องนิทัตท่านหมายความว่ายังไงจะพูดอย่างนี้ตฤุษีก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาฟังพระราชาก็ทรงกริ้วยิ่งนักสั่งขับไล่องค์รัชายาตออกจากวังทันทีแล้วก็ให้ปล่อยตัวตรุษีไปทางฝ่ายองค์รัชายาตไม่มีที่พึ่งนะทีนี้เดินโซซัสโซเซเข้าไปในป่าก็ไปเจอกับตฤุษีที่เคยช่วยตัวไว้เนี่ยพร้อมกับกล่าวขอขามาตฤุษีแกเป็นคนดีนะ่ะ ก็อนุญาตให้องชายอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็สอนสัต์พระวิชาทั้งปวงให้แล้วไม่นานต่อมาเมื่อองชายทราบข่าวว่าพระราชบิดาทรงหายจากโกรธเคืองแล้วก็เสด็จกลับแล้วเสร็จแล้วก็ให้ทหารมารับตฤุษีไปสั่งสอนวิชาในวังจนสามารถสำเร็จวิชาการหลายแขนงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญครั้นต่อมานี่พร ะ, ะเจ้าชายก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบัลลังก์และขึ้นครองบ้านเมืองด้วยความผาสุก แต่เนื่องจากผลกรรมเก่าที่เคยคิดร้ายต่อผู้มีพระคุณของตนเองก็ทำให้พระราชาองค์ใหม่นี้มักจะถูกลอบปองร้ายอยู่เสมอซึ่งคนเหล่านี้ก็เป็นไส้ศึกที่เมืองตรงข้ามส่งเข้ามาสอดแนมพอถูกจับได้แทนที่จะสั่งประหารตลุสีแกก็บอกให้ชุบเลี้ยงไว้พร้อมทั้งเกลี้ยกล่อมให้จงรักพักดีด้วยเหตุ น, นี้จึงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามที่ส่งไส้ศึกเข้ามาทั้งหมดแล้วก็สา ม, มารถจับได้ทุกคนก็เอามาชุบเลี้ยงไว้บุคีิเคยเป็นศัตรูก็กลับสวามีพัก พระราชาองค์ใหม่ก็ปกครองบ้านเมืองได้อย่างสันติสุขนั้ง แ, แต่นั้นมานี่เป็นผลเนื่องมาจากการทำกรรมดีมีคุณธรรมของพระองค์เองซึ่งเกิดจากตรษีใจดีตัวนั้นนั่นเองครับพักสักครู่ครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำในป่าเขตเมืองพรรณนาสีมีฝูงสุนัขจิ้งจอกอยู่เป็นจำนวนมากเที่ยวหากินอยู่ตามริมฝั่งแม่น้านั้น ในชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขกิงจอกนี่ได้รับความเดือดร้อนเพราะความโลภของตัวเองต่อมาจึงได้สติละความโลภนั้นได้เรื่องมันเป็นยังไงครับวันนั้นที่ริมฝั่งแม่น้าอันเป็นที่บรรดาสุนัขจิงจอกออกไปหากินปรากฏว่ามีช่างพลายตัวหนึ่งมาล้มอ่าก็คือตายเนี่ยแต่ว่า ในภาษาหนังสือนี่เขาไม่เรียกกันเขาให้เกียรติช้างนะครับเขาไม่เรียกช้างตายเขาเรียกช้างลม้มนะวันนั้นพญาสุนักจิ้งจอกออกไปหากินไปเจอช้างพลายที่ล้มอยู่นี่ก็ดีใจมากที่จะได้กินอาหารอันโอชรสก็ตรงรี่เข้าไปงับที่งวงเพเห็นว่าเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแต่แล้วก็สะดุ้งโหยงไอ้ทําไมแข็งจังเลยอ่ะอะพราะกัดลงไปรู้สึกแข็งเนี่ยกัดเข้าไปที่คันไถ พญาสุนักจิงจอกก็มองหาที่กัดกินต่อไปก็เห็นงาทั้งสองข้างเรียวงามขาวสวยโอ้เหมาะจริงๆตรงนี้แม่เหมาะจริงๆพญาสุนัขจิงจอกคิดพลางก็งับกรอบเขาที่งาเสร็จแล้วก็ต้องดุ่งโยงอีกเช่นกันเพราะมันแข็งว่องอีกอะไรว่าแข็งยังกระเส่อคิดแล้วก็ถอยออกมายืนห่างๆเพื่อจะหาที่จะเข้าไปกัดใหม่กัดตรงหูดีกว่าแม่มันใหญ่ดีเหมือนกระดง้ง ว่าแล้วพญาสุนัขจิงจอกก็วิ่งไปคว้าหมับเขาตีใบหูข้างหนึ่งของช้างเสร็จแล้วก็ร้องเสียงลั่นเน่ยโอ้เหนียวจังเลยควันแทบหลุดอะพญาสุนักจิงจอกก็เริ่มท้อใจพราเห็นว่าเขี้ยวเล็บของตัวไม่พอจะฉีกเนื้อช้างตายกินได้แต่เนื่องจากความอยากกินเนื้อช้างมากก็ทําให้ไม่ล้มเลิกความพยายามมองหาที่กัดที่เหมาะเสร็จแล้วก็เหลือบไปเห็นทองช้างอู้ตรงนี้ใหญ่มันยุ้งข้าวนะ พยาสุนักจิงจอกคิดพลางกระโดดเข้า ง, งับทันทีแต่ก็กระเด้งออกมาเหมือนก็วิ่งชนขวาผนังโอ้ยเอาอีกแล้วสวยจริงๆวันนี้เออแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อใจแล้พยายามใหม่ดิวะ่ะตะวันเริ่มร้อนแรงขึ้นพยาสุนัขจิงจอกก็ถอยมายืนมองดูช้างที่นอนนิ่งอย่างแงนหน้าขึ้นบนท้องฟ้านกหลายฝูงก็บินผ่านไปนกพวกนี้ออกหากินเหมือนเราแต่ว่าคงไม่โชคดีเหมือนเราหรอกนี้ พญาสุนักจิงจอกมองนกก็คิดไปพลางแต่เราก็ยังโชคดีไม่จริงนะเพราะได้เหยื่ออย่างที่ต้องการแล้วก็ยังกินไม่ได้เนี่ยแม่มันเหนียวจริงๆพระงญาสุนักจิงจอกก็แกว่งหัวกวัดหางไล่มแมลงวันมแมลงวีที่เข้ามาตอมเสร็จแล้วก็สำรวจดูร่างของช้างอีกครั้งหนึ่งงวงงาหูและท้องของช้างเราก็กัดมาหมดแล้วแต่กินไม่ได้เลยคราวนี้ลองดูใหม่จะกัดเท้าดูมั่ง แม่เท้าช้างใหญ่ยังก็ครกตำข้าวครั้นแล้วพญานุนักจิ้งจอกก็วิ่งรีเข้าไปกัดเท้าช้างคู่เดียวก็ทําหน้าเบ้วถอยมาดยืนดูห่างๆโอ้ยล้มเหลวอีกเช่นเคยอะกูเวลานั้นมีนกเอี้ยงสองตัวไปจับที่หางช้างแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่บนนั้นหางช้างมีลักษณะเหมือนสากตําข้าวพญาสุนัขจิ้งจอกเห็นแล้วก็อยากทดลองใหม่เขาก็เดินเข้าไปใกล้คอยสังเกตดูจะกัดตรงไหนดี เอาตรงนี้เราวะคิดเราตรงรีเข้างับผลก็ปรากฏก็คือกัดไม่เข้าพญาสุนัขจิ้งจอกทอแท้อย่างเห็นได้ชัดค่อยๆสุดตัวลงนั่งลงแหนหน้าขึ้นมองฟ้าไอ้ครั้งหนึ่งแดดก็เริ่มร้อนแรงขึ้นเก่าพระอทิตก็สูงขึ้นทุกขณะพญาสุนัขจิ้งจอกก็เริ่มเหนื่อยถึงขนาดนั่งหอบลิ้นห้อยน้ำลายหกมองดูร่างช้างอีกครั้งก็สำรวจจนทั่วก็ปลอบใจตัวเองเดี๋ยวทดลองอีกครั้งก็ได้ ความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้พญาสุนักยิ่งจอกไม่ผีผามแต่ความอยากกินเนื้อช้างก็เร่งเร้าให้รีบพยายามใหม่ก็สํารวจดูร่างช้างอีกครั้งสายตาจ้องจับขม่งปที่หางแล้วพบว่าบริเวณใต้หางช้างมีถวาวรหนักอยู่เออตรงนี้น่าจะลองกัดดูเสร็จแล้วก็เดินตรงไปถวาวรหนักอ้าปากงับทันทีเออตรงนี้นุ่มดีนี่ แม่กัดตรงนี้เหมือนกัดเนื้อเนื้ออ่อนเลยเออกัดต่อไปเรื่อยๆจนทวารหนักของช้างเปิดว่างขึ้นแล้วมันก็เข้าไปในท้องช้างเดินไปเดินมาอยู่ในนั้นกินอวัยวะภายในของช้างเช่นตับและหัวใจเป็นต้นกินจนอิ่มเวลาหิวนางบอกกินเลือดช้างเวลาง่วงอยากนอนก็อนอนในท้องช้างอ่ะแหละเออสบายดีนะร่างกายช้างที่ใหญ่โตพอจะให้อยู่อาศัยได้สบาย อยู่ในท้องช้างนี่ไม่ลาบากนี่นี่เฮะเวลาหิวก็มาก็มีเนื้อให้กินตั้งเยอะไม่ต้องไปหากินที่อื่นแล้วหากินอยู่ในท้องช้างนี่แหละนี่ก็อยู่ในตลาดสดเลยพญานุสนาจิงจอกไม่ยอมไปหากินที่อือ่นเลยนอกจากอยู่ในท้องช้างความเนหน็ดเหนื่อยที่มีแต่แรกนี่หายไปหมดมีแต่ความสุขขั้นเวลาล่วงไปหลายวันเข้าร่างของช้างก็เริ่มแห้งย่นเนื่องจากถูกแดดเผา ก็ทำให้ช่องทวารหนักที่พญาสุนักยิงจอกเข้าไปในปิดลงอย่างสนิทปิดจนแสงข้างนอกเข้าไม่ได้เลยท้องช้างก็มืดเต๋ อ, ตอพระยาสุนักจิงจอกเขามองอะไรไม่เห็นเดินไปเดินมาชนโน่นชนนี่เปะปา อ, อึดอัดยังก็อยู่ในนรกพระยาสุนักจิงจอกยิ่งลำบากมากขึ้นเนื่องจากพอช้างเริ่มแห้งเนื้อและเลือดก็รอยแห้งไปด้วยถึงคราวหิวกว่าจะฉีกเนื้อกินได้แต่ละทีก็ลาบาก กระหายน้ําเลือดก็ไม่มีจะให้ดื่มมีน้ําซ้ำแสงสว่างก็ไม่มีเลยก็ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาวิ่งพล่านไปไปมามาอยู่ในท้องช้างไปหาทางออกจากท้องช้างให้ได้ทนทรมานอยู่ในท้องช้างได้สามวันเกิดฝนตกหนักก็ทําให้ศพของช้างกลับพองขึ้นอีกเมื่อศพพองถวันหนักก็เปิดทําให้แสงสว่างข้างนอกเข้าไปได้พัญญาสุนัขจิงจอกก็โล่งใจโอ้ยเรารอดตายแล้วอ่า พอเห็นโอกาสอย่างนั้นมาพญาจิ้งจอกไม่รอช้ารีบเอาหัวดันทวาวรหนักช้างให้เปิดกว้างแล้วก็ออกมาข้างนอกได้สําเร็จแต่เนื่องจากอยู่ในท้องช้างหลายวันเนื้อตัวเปียกชุ่มโดยสิ่งปฏิกูลขนก็เปื่อยขณะที่กําลังดันตัวเอาจากทวาวรหนักนั่นเองขนก็หลุดติดอยู่ที่ทวาวรหนักของช้างหมดทั้งตัวพญาสุนัขจิ้งจอกดีใจได้ครู่เดียวหลังจากนั้นก็ต้องทุกข์หนักเพราะมองดูร่างกายตัวเองแล้วแสนที่จะทุเรศทุรัง โอ้ยเวรกรรมเออนี่ขนไม่มีสักเส้นเลยวะเนี่ยโอ้ยยังกับขี้เรื้อนเลยยังก็ไม่ปานขี้เรือ น, นยังพอมีเหลือมั้งหะนี้ไม่มีเหลือโอ้เวรกรรมเออความทุกครั้งนี้ไม่มีใครทําให้เราเลยเราทำให้ตัวเองแท้ๆเพราะความโลภมากเจ้าความโลภเอ๋ยตอนนี้ไปค้าจะไม่ยอมให้เจ้าจุงจมูกก็ได้อีกเป็นนันขาดโอ้เจ้าซากช้างเออเจ้าก็เหมือนกันนับแต่นี้ไปขําให้มีทางหลงกลเข้าไปข้างในเจ้าอีกเป็นนันขาด ว่าแล้วพญาสุนักจิงจอกก็วิ่งจากซากช้างไปโดยไม่เหลียวกลับมามองดูอีกเลยชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมากนั้นนะ่ะให้ผลเป็นที่น่ายินดีในตอนแรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วย่อมให้ผลเป็นทุกข์เสมอเหมือนพญาสุนักจิงจอกยินดีที่ได้พบซากช้างแต่เราก็ต้องทุกข์หนักเพราะกลายตัวเองเป็นสัตว์ไม่มีขนไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่หลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านเล่าให้ญาติโยมฟังถึงเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินถึงเก้าสิบโขมีเยอะเยอะจนหายอยากแล้วไม่อยากมีแล้วเงินจะมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอาแล้วเงินทองมากมายเป็นภาระ แบ่งให้ลูกชายไปครึ่งหนึ่ง45โกด ต, ตัวเองฝังไว้45โกดเอาไปฝังไว้หลังสวนเผื่อว่าจะได้เอามาทำบุญเอามาใช้จ่า ย, ายตัวเองก็เข้าวัดรักษาศีลบำเพ็ญทานแต่ว่าไอ้เรื่องภาวนายังไม่รู้เรื่องอะได้แต่ทำบุญให้ทานอย่างเดียววันหนึ่งเกิดโรคปัจจุบันทำท่าจะตายเอานะจะบอกลูกว่าฝังสมบัติไว้45โกดที่หลังบ้าน พูดไปเสียงก็ไม่มีออกจากปากปากก็ขยับอ้าง่างงาบงา บ, งาบแต่ไม่มีเสียงออกมาเลยตายครับตายโดยที่ยังพูดไม่ออกนะทีนี้ตายไปจิตมันก็ยุด่าไอเรื่องสมบัติ45โกด ท, ที่ฝังไว้เนี่ยก็คิดว่าตัวเองจอะต้องเฝ้าสมบัติอยู่ในบ้านนั่นแหละทีนี้พอตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรล่ะหรือเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั่นเนี่ สมความปรารถนาเนี่ยจะได้เฝ้าสมบัติจิตมันไปปฏิสนธิเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านตัวเองต่อมาวันนึงลูกชายนิมนพระพุทธเจ้ามาฉันพระาหารที่บ้านก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเวลาเนี้ยพ่อผมไม่รู้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นไหนเพราะว่าทําบุญเยอะเหลือเกินสร้างโ น, น่นสร้างนี่สารพัดพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าท่านเศรษฐีจะมาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านนะ ก็ตอบว่าไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นไหนหรอกพ่อเธอมาเกิดเป็นหมาน้อยอยู่ก็เธอนี่แหละทุกวันจะมาเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยลูกชายจะถีไม่เชื่อจะเชื่อได้ยังไงคนทําทานรักษาศีลแล้วมาเกิดเป็นหมูเป็นหมาไม่ได้ไปสวรรค์พระพุทธเจ้าก็กล่าวบอกกับเจ้าหมาตัวนั้นบอกว่าให้ค้าผ้าเตี๋ยวลูกชายพาไปที่ฝังสมบัติไว้หลังสวน หมามันก็เลยลุกขึ้นไปคาบป้าเตี่ยวลูกชาย่ะดึงไปถึงไปก็ขุดคุยอไอท้ที่ที่ฝังสมบัติไว้ตรงเนี้ยลูกชายเศรษฐีคนงานมาขุดขุดเจอะสมบัติสี่สิบห้าโกดหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าโยมตรองดูเถอะฝังไว้ตั้งแต่ชาติก่อนะทีนี้หมามันยังยังนึกได้อ่าจิตเศรษฐีมยังอยู่อยู่ตรงนั้น ก็เลยรู้ว่าตัวเองซ่อนอะไรไว้ที่ไหนมันก็ไปขุดโดยธรรมชาติเพราะมันเอาขาเกี่ ย, ยลูกชายเศรษฐีเอาคนงานมาขุดก็เจอสมบัติสี่สิมากกดท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวนะเราอย่าไปคิดว่าเราทําบุญนาทานแล้วเราจะไม่เกิดอ่าไอ้ตอนสุดท้ายนี่สําคัญกรับเพื่อนอย่าไปยึดอย่าไปติดอะไรยึดลูกยึดหลานยึดบ้านยึดสมบัติพระสถานอะไรไม่ได้ทั้งนั้นให้ปล่อยเลยปล่อยวางเลย ไหนๆเราจะตายแล้วเราต้องทำใจทุกคนมันต้องใช้กรรมเมื่อมีกรรมเป็นของเราเราก็ต้องจดใช้กรรมเรื่องที่นามาเล่าให้ฟังทุกคนนะล้วนจะเคยทำดีทั้งนั้นในชาตินี้แต่ผลของอดีตกรรมในชาติก่อนเนี่ยมันย้อนตามมาสนองบางทีเราทำดีแต่เราก็เดือดร้อนบางคนก็คิดว่าเอ๊ะ เราทำดีแล้วทำไมต้องประสบเคราะห์ร้าด้วยนะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมทำไมต้องถูกจับติดคุกติดตรางหรือว่าถูกเขาตีเขาแทงนะทำดีอยู่แล้วทำไมต้องถูกเขาใส่ร้ายจนโดนขังติดคุกนะเพราะเราไม่รู้อดีตกรรมพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านจะไม่แปลกใจ มันเหมือนกับเราทําความดีเนี่ยความดีมันเหมือนวัวสีขาวทําความดีครั้งหนึ่งก็ได้วัวขาวตัวหนึ่งทําดีสองหนก็ได้วัวขาวสองตัวสามตัวสีตวตวส่ตัวเรื่อยไปะจะชาติไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าทําชั่วชาติไหนก็แล้วแต่เราก็ได้วัวดําไปตัวเหมือนกันทำสองหนก็สองตัวสามหนก็สามตัวอะทีนี้วัวขาววัวดํามันก็ปนกันอยู่อยู่ในอคอกเนี่ย มันก็รักคนกันอยู่อย่างงั้นนะวันหนึ่งเจ้าของคอกจะเปิดคอกวัวออกไปถ้าวันไหนตัวดํามันจ่อปากคอกวัววัวดําก็ออกก่อนวันไหนวัวขาวจ่อปากประตูนะวัวขาวก็ออกก่อนกรรมดีมันก็ให้ผลก่อนกรรมชั่วมันก็ยังยังไม่ให้ผลแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่มันยังออกไม่ได้ผลดี อันเก่าที่เราทําไว้บางทีมันยังไม่ให้ผลก็มีเพราะฉนั้นเราทําดีอยู่เอ๊ะทําไมเราประสบเคราะห์ร้ายก็เพราะวัวดำมันจอยอยู่ที่ปากประตูวัวดํามันออกได้ทีละตัวข้อนี้นะวัวดํามันจออยู่วัวขาวก็ออกไม่ได้วัวดําก็ต้องออกก่อนนั่นแหละอันนี้เป็นผลจากอดีตชาติเมื่อชาตินี้เราทําดีอยู่แล้วเรารู้ตัวเราทําดีก็ไม่ต้องสงสยัยมันเป็นผลกรรมจากอดีตมันมาสนองตรงนี้ไม่ต้องสงสยัยมันเป็นผลกรรมเก่าของเราที่เรา ควรจะยอมรับมันครับนั่นก็คือเรื่องของกรรมที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ